สัญญาณเตือนให้กลับได้แล้ววันนี้ขอยุติเรื่องเล่าเพียงเท่านี้ก่อนถึงเวลาอ่อนไปภาวนาแล้วเวลาของอ่อนเหลือน้อยเต็มทีต้องเร่งหน่อยเขามาเตือนหลายครั้งให้กลับได้แล้วยังมัวรออะไรอยู่เล่มนี้จึงขอพอแค่นี้ก่อนในเล่มสามอ่อนจะมาเล่าให้ฟังอีกอ่อนยังมีเรื่องอีกมากมายอยากจะบอกเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆ น, น้องๆได้รับฟังไว อ่อนไม่คิดว่าเป็นการเสียหายที่อ่อนจะเล่าให้ฟังเ ร, เรื่องต่างๆที่อ่อนได้เห็นได้หลับแล้วฝันหรือแม้กระทั่งในนิมิตในหลากหลายรูปแบบแต่ก็กลายมาเป็นเรื่องจริงในเวลาต่อมาทุกประการอ่อนแปลกใจกับตัวเองมากว่าทำไมจึงได้รู้เรื่องต่างๆล่วงหน้าอ่อนได้ทำบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายได้บันทึกเทปไว้แล้วหากคุณหลวงคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นๆ เมื่ออ่อนไม่อยู่แล้วก็กรุณาจัดทําได้เลยแล้วแต่จะพิจารณาตามความเห็นของคุณหลวงเวลาอ่อนเหลือน้อยแล้วแล้วพบกันใหม่เล่มสามอ่อนอยากเห็นงานเปิด3ามแดนโลกธาตุของหลวงตาที่มีผู้คนล้นหลามจะได้ช่วยให้ผู้ที่ต้องชดใช้กรรมในภพภูมิที่ต่ํากว่าเราได้รับผลบุญที่พวกเราได้อุทิศให้ช่วยฉุดให้พวกเขาขึ้นมาอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นและเป็นโอกาสเดียว ที่เราจะช่วยและขออโหสิกรรมกับเขาและให้อโหสิกรรมแก่เขาทั้งหลายได้หากแม้ไม่เชื่อก็อย่าสงสัยลงชื่ออ่อนบทความโดยคุณสุนันทาเทพรักษาหรือคุณอ่อนเสียงอ่านโดยโจโฉต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ เนื่องจากเจ้าของเรื่องเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นผมโจโจผู้อา่านจึงขออนุญาตตัดคำลงท้ายบางคำและสรรพนามบางคำเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับนาาคนู้ ซาบซนปัญหามากมายวุ่นวุ่นไม่เกิดกับฉันได้งไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเธอสิ่งที่เธอต้องทุก ไร่เหตุผลให้แต่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างด้มาเพราะเธอจะร้าจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยางให้ลองดูเรื่องกันคือการประทันทของเธอ ในคิดในใจอาจคล้อยสมผล ไ, ไร้ไร้อาลึกลับตอค ก, การสมพกันกทอะไรทไดีหรือันนั้นคือกันแม้ดระดาวจ สิ่งที่เจอมีแหดมีพลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื